ท่านเสียไปแล้วรัิหมาฮอลลอฮเนี่ยท่านบอกว่าเป็น h i s มาหัวตอัลลอฮฺอักบนาอซบิลลาฮ์เนีิที่บอกว่าหัวใจของคุรานนะครับอันนี้ก็เชกบานีก็บอกว่าเป็น h a i s มาหดว h s ที่หนรอยแล้วก็ h a i s ที่บอกว่าคนใกล้จะตายอัยาซีเนี่ยเป็น h a มาหอีกเหมือนกันมาหัวตแปลว่าอะไร นะเอาแต่ว่าฮัดีิสเน่เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้แต่บางคนก็เชื่อก็ ก, ก, ก็ทำไปนะแต่คนที่เรียนฮัดีิสมาเนี่ยเขาก็ต้องนึกนะครับถือลงว่าสองเรื่องนะที่เราเข้าใจกันมาหนึ่งเป็นหัวใจของ Al an, อัลกุรอานอีเรื่องหนึ่งอ่านสุรยาซีนตอนใกล้จะตายเนี่ยทำให้ตายง่ายขึ้นเราก็ทำมันมาตลอดนะนั่ พอมาเช็คคัดีิสแล้วอ๋อไม่ใช่ก็ทับซีดหลายเล่มนะผมมาเจอเล่มเดียวทับซีของกลุ่มสุนังในประเทศยินเดียวเนี่ผมมาถึกเปมาซาลูนดูเอาไว้นะคำนวิวันนี้นะครับสุรยาซีนสุระอที่สามสิบหกพี่น้องพอฟังอย่างนี้แลวก็อย่าทิ้งกรุงอ่านละก็อ่านยาซีนเหมือนเดิมนัน่นแหละนะ ความจริงอ่านซูร้อนไหนก็ได้คนใกล้จะตายนะถ้าจะไม่อ่านยาซีนก็อ่านซูร้อนอื่นแทนได้ไหมได้ความจริงกุณอ่านเมื่อตองอ่านก้อนก้อนก้อนก่อนจะตายเราตอนเป็นๆนี่แหละตอนเป็นๆนี่แหละอ่านเธอใช่ไหมแต่ที่คนที่ใกล้จะตายเนี่ยเพาคนที่เคยอ่านคุณอ่านประจําอยู่แล้วถ้าตัวเองอ่านไม่ได้ให้คนอื่นอ่านแทนได้ไหมได้ถ้ารู้ความหมายยินดีไอะ ฟังไปจมตามันไหลเองยาซีนี่นะครับบางคนแปลว่านะแปลว่ามนุษย์แปลว่าอินทานแต่ที่ถูกต้องที่สุดวอลลอห์อะลัมอัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนโซลบาปลออะลิฟลามมีมีคนแปลเยอะแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือว al อลลอห์อะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ต้องอธิบายนะครับ สุรยาซีนเป็นส <rene> ุรที่สามสิบหนะครับแล้วก็ประทานที่นครมักกะอประทานที่นครมักกะยกเว้นอายาเดียวที่ประทานที่นครมาดีนะในสุวัตทางสุรยาซีนมีอยู่อายาเดียวที่ประทานที่นครมาดีนะนะครับส่วนทั้งหมดนี่ประมาณ8ปบสอายะแปดสองอายาประทานที่นครมักกะแล้วมีอยู่อายาเดียวนะครับ การที่ประธานที่นครมดีนะนะครับยาซีเนียเขาเรียเขารู้ฟุลมกตตานะครับอลลีฟลามีมที่ผ่านผ่านมาแล้วนะครับไม่มีความหมายนะครับอัลลอฮ์วอาลมอัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวก่อนหน้านี้นะครับในสุรฟา์ติรอายะห์สุดท้ายนี่น่ะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสรุปนิดหนึ่งนะครับว่า ใครก็ตามที่วางแผนอ่าอธิษฐแล้วเนี่ยนะใครก็ตามที่วางแผนทำลายอิสลามเช่นอะไรบ้างอะวะลา يحيك المكرسي إلا بأهله ตรงนี้อธิบายว่าใครผู้ใดที่วางแผนทำลายอิสลามใครที่วางแผนทำลายมุฮัมมัดทำลายนาบี หมายถึงเตือนคนอาดับมุชรลิกอาดับในละครมากะร์นเลิกคิดได้แล้วที่จะทำลายทาลายคนน่ะเลิกซะทาลายอิสลามทําลายนาบีมุฮัมมัดทําลายสุนนะนบีทาลายอลัลกุรอานทําลายอัคีดักหรือทําลายพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั่วโลกเนี่ยวางแผนฆ่าเขาอะไรเขาด่าเขาอะไรก็ตามเนี่ยนะกลับไปหาใครกลับไปหาคนวางแผนเอง Kenyangkat yang noy misa amaya nakab, kum ane fang nakab. Walayahikul makrushayu illa di ahlih. Allahu akbar. Inna ma baguyukum ala am fusikum. Waman nak safinna yang kusulinafsi. Kai yang tlahi khamsam kon Allah, kau tidak tlahi kai nolak jatukur kon kau. Allahu akbar. ว่าแล้วยาให้คุลมักรุซใดอือิลล์บิอัลีแล้วก็ผู้ที่วางแผนชั่วชั่วเกี่ยวกับอิสลามทั้งหมดนี่นะแผนชั่วนั้นไม่ตกไปถึงอัลลอฮ์เลยไม่ไม่ตกไปถึงนบีไม่ไม่ถึงอัลกุรอานไม่ถึงสุนนนาบีแต่ถึงใครถึงผู้ที่วางแผนทำลายอิสลามเองแค่นั้นอิสลามก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไม่มีควาว่าถอยหลังถอยหลังถอยหลังอายะไหน ส aya ดูฮุลนฟิดีนิลาฮีอฟวาาแปลว่าอะไรรู้ไหมประชาชนหรือมนุษย์เนี่ยจะเข้าห า, าศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ๆตรงนี้เป็นการประกาศจากอัลลอฮ์ว่าอิสลามยิ่งเจริญคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงนะเพราะมีบางกลุ่มพูดว่าลดลงการไปดาวซาฮบานอบละห์นึกว่าจะลดอ่ะ ไม่ได้ลดมันเพิ่มขึ้นแล้วคนที่กลุ่มที่ดาวซาบาน บ, บีมีไหมมีครับเราพีบบ่เอ๋ชื่อเขาใครพี่ต้องคิดเองก่อนแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาวัวนน้มาซุรอญยาซี น, นะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อธิบายนิดหนึงน่งนางที่เราลืมเราขอเริ่มอ่านคุรานซุรอญยาซีนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮฺอัลลอมีสองสิ่ัตอัร ah าั ahman ผู้ทรงกรุณาปราณีอธิบายยังไงอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลเมตตาทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมกาเฟ่ฮินดูคนที่แอนตี้อิสลามทําลายอิสลามคนที่วางแผนทำลายอิสลามมารอดเลี้ยงหมดเลยนะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะยินก็เลี้ยงด้วยแล้วก็ สับสับะสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้อารออรับผิดชอบหมดเลยแม้แต่หนอนที่อยู่ในส้วมอารออก็ดูแลหอยอารออก็ดูแลดูแลหมดเลยนะครับรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็สวรรค์อารวะไฮมอันนี้เฉพาะอาในวัน อ, อาคิร้อยอย่างเดียวนะเพราะโลกใบนี้มีอยู่สามโลกสี่โลกใช่ไหมอาลามอรวาอาลามโลกแห่งวิญญาณเราผ่านมาแล้ว สองอาลัมดุลยารับผิดชอบหมดเลยแล้วก็หลังตายอีกอะให้ศพคนไหนเน่าไม่ให้เน่าจะถูกลงโทษไม่ลงโทษอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยอาลัมบาดรักแล้วก็อาลัมอาคิรอฉะนั้นอาลัมบาดรักอาลัมอาคิรอเนี่ยอัลลอฮ์เฉพาะเจาะจงคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่ปลอดภัยจากการลงโทษอีมานตัวช่วยนะครับไม่ใช่เงินช่วยนะอีมานี่ช่วยนะครับ ช่วยให้เราปลอดภัยจากการลงโทษที่กูโบโอิมานเป็นตัวช่วยมาให้เราถูกลงโทษหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วไปเยือยอยู่ในทุทมาชัดอีมานเป็นตัวช่วยนะครับทำดีแล้วไม่ใช่เงินนะอใครที่มีเงินก็บริจาบไปก็ตัวเองก็รอดถ้ามีเงินแล้วไม่บริจาคไม่จ่ายสการไม่จ่ายฮัตติย์ไม่จ่ายนาะเพก็ถูกสอบในกูโบ อ, อ, อีกอะพอรอแล้วก็มีอะไรอีกมีงูงัวใช่ไหมมีงูมารัดคอตัวเอง ถาว่า ง, งูมาจากไหนงูก็คือเงินของคุณไงจะเอา ล, ล่อให้ใจะวนดุนยาแต่ไม่รับไม่ได้ดูแลใครเลยเนะน่ยเมียก็ไม่ดูลูกก็ไม่ดูสังคมก็ไม่ดูอลลอลลเอาเรื่องนะนี่นี่อิสลามสอนดีไหมดีมากกระลับควมดิบิลครบ Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Kom Allah Pusong Karunapranin. Alrahim bermaksud Pusong Merta. Ah, Merta cakap Pusat Tahat Allah dalam dunia akhirat. Wan Qur'asyin ini tidak perlu Allah tahu, tetapi dia sendiri. Wa Allah tahu. Wan Qur'anil Hakim. ไอ้มีตัววาวขึ้นมาเนี่ยแปลว่าวาว ว, าวุลขอมแต่ว่าขอสา บ, บานอขอสา บ, บานต่ออัลกุรอานขอสา บ, บานต่ออัลกุรอานอัลลอฮ์าไหมพี่นักเรียนอัลลอฮ์ Allah สา บ, บานนะชนจะชาวอัลกุรอานเรี่บนี้นะเป็นอะไรครับวัลุกุรอานิลฮะกิมฮะกิมนี่แปลว่าอะไรนะอัลลอ ฮะกิมมีคำสั่งเยอะหนึ่งเป็นคำสั่งอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ฮะกีมเนี่ยแปลว่าเป็นคำชี้ขาดนะครับมุกุรอานเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดนะครับส่วนหะดิษเป็นหลักฐานที่อะไรนะั้นอนุมานคือกุรานเนี่ยเป็นหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดนะครับถ้าคำตัดสินอยู่ในคัมภีร์คุรานนั่นคือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแน่นอนที่สุด เพราะมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับคำพิการเล่มนี้พี่น้องครับเป็นเล่มเดียวนะที่อา่านแล้วได้ผลบุญเป็นเล่มเดียวนะครับที่อา่านแล้วคําเดียวนะอลิฟลามเมมได้เท่าไหร่นะสามสิบผลบุญอลีฟเนี่ยแค่อลีฟอย่างเดียวนี่นะได้สิบลามกว่าสิบเมมก็10สิบถ้าคนที่อ่านคุณอา่านทั้งเล่มนะผลบุญเท่าไหร่ เขาบอก น, นี่ผลบุญนี่เรามองไม่เห็นนะแต่นบีเล่าให้เราฟังว่ามีจริงคนที่อ่านคุณอ่านเยอะๆเนี่ยเวลาเข้าสวรรค์แล้วแล้วนะเขาบอกอ้าอ่านคุณอ่านไปสิยิ่งอ่านมากเท่าไหร่มันเป็นลิฟต์อะขึ้นทีละชั้นละชันะช้นละชั้นละชั้นนี่อธิบายอย่างนี้นต่แต่สวรรค์เป็นยังไงวันลองอาแล้วนบีอธิบายอย่างนี้สวรรค์ตาคุณไม่เคยเห็นน่ะหูคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนอะ แล้วก็หัวใจไม่เคยสัมผัสมาก่อนอรอรักบ้ามันมันท่านอ่านอ่านกูอ่านเยอะๆนี่ช่วยได้ทางดุลยาแหละอาจจะแล้วในกูโบก็ช่วยได้ด้วยวถ้าใครไม่อ่านเนี่เราฟังเราอ่านเองช่วยได้จริถ้าลูกอ่านนีแหล่ ะ, ละห้ามได้เลยละผลระเบิดไปถึงเราด้วยยิ่งเป็นตนะครับแต่คนอื่นจะอ่านใ้เราไหมเราเป็นนึกเยอะเลยนะแต่ <laughs> ั้นก็ดูแลลูกให้ดีจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ได้นะครับห้ามได้เลยละ อินคาลามีนัลมุสลิมในการอธิบายเรื่องคุรานิกนะุรานเนี่ ย, นนยประทานลงมาให้กับใครให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดนบีนี่มีชื่ออยู่ชื่อหนึ่งเรียกว่าอุมมี่อุมมี่เป็นอะไรนะอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่เป็นนี่ขนาดอัลลอฮ์รับรองว่านาบีน่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นพวกยะฮูดีมันยังด่ายอยู่เลย อ้าเห็นไหมล่ะนบีไปเรียนหนังสือกับคนนั้นบ้างมาเรียนกับคนนี้บ้างแล้วมาแต่งกุรานเองถูกดานะครับเราอยากไปฟังเยอะฟังเอาไว้แล้วมาดูคำพีคุรานว่าอัลลอฮฺอธิบายยังไงนบีอธิบายยังไงคำพีคุรานนี่มีต้องไปนอนครับทําให้มุสลิมทําให้อารับมุชริกกาเฟสในหูตาสว่างเพราะราคุรานคุรานเนี่ย สอนหรือว่าปลุกให้คนที่นอนเนี่ยหลับหลายมาเป็นพันๆปีหลายๆร้อยปีตื่นได้อะในกุ่มาหรับเนี่ยพนบีอิสมาอินมาใช่ไหมล่ะลูกชายนาบีอิบรอฮิมชืออิสมาอินใช่ไหมเผยแผ่อิสลามที่นั่นแล้วก็มันหายไปประมาณเป็นหลายร้อยปีอะเป็นพันปีเลยนะไม่มีใครมาสอนเลยนะแล้วกุ่มาหรับเนี่ยเป็นกลุ่มที่วัยแย่ที่สุดแล้วน่ะ ไปเป็นลูกจ้างคนชาวโลกไม่มีใครรับมาจากไหนมาจากอาหรับฮ่าๆไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอาสายหน้ากันทุกคนเนี่ยเพราะว่าสารพัดเลยทะเลาะกันรอผู้หญิงมีผัวได้หลายคนใช่ไหมอยู่ในบ้านคนข้างนอกคนหนึ่งแล้วก็พจะเป็นลูกลูกใครก็ไม่รู้โอ้โหนี่หนักขนาะดไหมแล้วก็ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก จะ ก, กองมรดกดลเราขายได้ด้วยใครจะซื้อก็ซื้อไปขายลูกกินว่าง่ายๆอ่ะนะนี่คืออาหรับเละแย่มากเลยน ะ, ว, นะว่าเลวนะละแย่มากนะครับแต่พออัลกุรอาน ป, ประทานลงมาผ่านนาบปุลบบเนี่ยทให้หูตาสว่างเปลี่ยนจากคนที่หลับไหลามาตื่นแล้วก็ทำให้รู้จักของขารองกับของคาราน แยกแยะระหว่างของดีกับของไม่ดีพ่อคุรานอว้าวแล้วก็ทําพออ่านคุรานภาพให้รู้เลย ว, ว่าโลกใบนี้มีเจ้าของไหมมีแล้วก็ชีวิตของมนุษย์นี่มาจากอะไรแล้วก็เบื้องเบื้องหลังบ้านปลายของมนุษย์ไปไหนอัานคุรานรู้หมดเลยอะ่ะแล้วก็พอตายแล้วไปอยู่ที่ไหนวิญญาณตายหรือไม่ตายมนุษย์เกิดมากี่ครั้งพออ่านกุรานรู้หมดเลยเอาถามใหม่ เราเนียเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งบางคนว่าครั้งเดียวนะ่ะตอบผิดที่ถูกต้องก็คือเกิดสองครั้งตายสองครั้งคุตอานายาไหนคา ก, ากัมยันสุรบักรรอดนะว่าไกฟ้าักฟุรุนอะบิลลาอยู่ว่กุลตุมอัมวาตา ฟ้าเฮียคุ้มสุ่มไมยุ่มทุกคุ้มสุ่มไม่ยุ่ยคุ้มสุมไ ม, ม่มมมมมมละหิตหรือจอนคำด้วยกันนเตือนนะมนุษย์นี่เกิดสองครั้งตายสองครั้งจากคัมภีร์คุณาน่ะถ้าคัมภีร์ครณานี่มาเลยมนุษย์จะรู้ไหมว่าวัาวาวนกุตวัวเองน่ะเติเกิดกี่ครั้งแล้วก็ตายกี่ครั้งจากคัมภีร์คุณานี่แหละทำให้เรารู้ว่า คนในอดีตเขาอยู่กันยังไงถูกลงโทษไหมเพราะอะไรกุณอ่านสอนแล้วคนปัจจุบันจะอยู่ยังไงกุณอ่านสอนตายไปแล้วจะอยู่ยังไงกุณอ่านสอนอีกจะนั้งคุณอ่านเล่มเดียวนะครับที่อัลลอฮ์รับรองคำภีร์ก่อนหน้าคำพีกุณอ่านสองสามฉบับมีอะไรบ้างซาบูตอินจีเตารอร้อยใช่ไหล่ะอัลลอฮ์เนี่ยขอรองนะ ให้อัล์มะยัวูดีอล์มะคริสเตียนดูแลคำพีของอลลองให้ดีหน่อยเรียกว่าอิสตาอิสตาฟวรูขอร้องให้รักษาแต่รักษาได้ัหมไม่ได้ไปเปลี่ยนของเขานะ่าไปสังคยานาอลาวะพอแล้วฉันไม่ไว้ใจมนุษย์อีกต่อไปจั้นกุรอา่านเล่มนี้เล่มสุดท้ายฉันขอรักษาเอง ทำได้เลยลยเพียงเทานีอันไหนทีจะขอรักษาเองว่าอินน่าลาฮูลาฮาฟิรูนเราอัลลอฮ์ขอรักษาคุณอ่านเล่มนี้ฉันขอรักษาคุณเดียวไว้ใจมนุษย์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วพราะสองสามฉบาบนั้นไว้ใจขอร้องให้อาอุลามายาฮูดีอุลามาคริสเตียนและอุลามาอื่นๆอีกให้ดูแลรักษาคําพี้ยรอดหน่อยไป็นไงทําได้ไหมไม่ได้ อินนักกลาไมนัลมุรซาลีอินนกาเนี่ยอันนี้ชมชมนบีอ่าชมนบีนะครับอยายัดที่สองเนี่ยอยาย ท, ที่หนึ่งเนี่ยอยาย ท, ที่สองเนี่ยชมกุรานนะอยายัดที่สามเนี่ยชมนบีอินนกกาแท้จริงท่านมุฮัมมัดเนี่ย ละมินัลมุรซาลินเป็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาเป็นรศัศมีแน่นอนอินนักกะไปวันแน่นอนฉะนั้นนบีเนี่ยเป็นรศัศมีแน่นอนครับมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาลาแล้วก็การแต่งตั้งของของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนการแต่งตั้งของมนุษย์นะมนุษย์นี่จะเลือกอิหมามนี่ความจริงนบีนะสอนเอาไว้จะเลือกอิหมามอย่าลงคะแนน แต่เราก็เอาประชาติปไ ต, ตยของยาฮูดีมาใชา้นะทำง่าลงคะแนนพอลงคะแนนก็กลายแกนเป็นแจกตังกันได้ด้วยหาเสียงได้ด้วยอย่างนละคนรวยๆก็ได้ไปใช่ไหมคนจนๆพวกเยอะน้อยก็ไม่ได้ใช่ไมที่ถ้าเอาหลักการอิสลามนะเนื่องเลือกคนที่เข้าใจกุรานอ่านอ่านคุรานเข้าใจกุรานถ้ามันเท่ากัน ให้เลือกคนที่เข้าใจสุนนขะถ้าเซานาเท่ากันให้เลือกใครที่มีตักวาเลิกทำความชั่วกโอนปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองถ้าเกิดเท่ากันอีกให้เลือกคนที่อวุโสมีอายุมีปนเป็นสวเนี่ยอ่อาอมาัสะนี่หลักการอิสลามที่วางไว้พอทิ้งหลักการนี้ปั๊บจบท่านสุรามีสองกลุ่มอ่า กลุ่มฉันนี่ถ้าเลือกเลือกเลือกกลุมการไม่ได้เลือกอิมามไม่ได้กูมไม่เข้าสุราแล้วนี่มันกลายให้แตกแยกกันพปแนละ้วแต่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอิมามนควบคุมอยู่มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยใครเป็นไม่เป็นฉันไม่อยากจะเป็นมันเป็นเรื่องอามาน่าต้องรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวนี้เขาว่าอามาน่ามันก็ลดลดไปเหลือแต่ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศมันตามมา เ, เงินมันตามมาที่ อ, อนะัลลอฮฺนบีสอนไว้แล้วนะ อย่าให้เสียรายการนี่ทำลายอีหมานคุณนะคุณต้องเอาอีหมานนี่นำหน้าเสียรายการในทุกๆกรณีเลยนะครับเพราะอิสลามทจะเจริญมาได้ถึงวันนี้นะ่ะไม่ใช่เพราะเงินเราต้องเข้าใจใหม่นะอิสลามทจะเจริญมาถึงพวกเราวันนี้พันเศารอปีเนี่ยไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะอะไรอีมานเพราะอีมานต่างหากแหละแรงอีมานที่มานั่งฟังตับสี แรงอิมานที่ลุขึ้นมานมาตะหัยุดแรงอิมานที่อ่านอัลกุรอานไม่ใช่แรงเงินเงินเงินที่มีอยู่นันกฟาโร่เป็นยังไงกอรูนเป็นยังไงฮามานเป็นยังไงเพราะนั้นใครที่มีเงินเยอะๆถ้าไม่มีอิมานอย่างเดียวนี่นะก็เตรียมตัวก็ล้กันอินน่าเกลามินลุรซาลีนแท้จริง ท่านน บ, บีมุฮัมมัดเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในหมู่ผู้ถูกส่งลงมาใช่ mm hmm. ไหมมุสซาลีมเป็นปะหุพอดเลยนะคนก่อนหน้าที่ส่ถูกส่งมาเป็นน บ, บีครั้งหมดที่มีชื่อนะัก บ, บีกรุร๊อานยีสิบท่านมุฮัมมัดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ที่ไม่มีชื่ออีกนะเป็นแสนนะพี่น้บบนองต้องพูดกัน บ, บ่อยๆให้เข้าหู บ, บ่อยๆโอ้โลกใบนี้ที่จเจริญได้เพราะน บ, บีมาสอนนะความรู้ที่ผ่านน บ, บีเนี่ย ถ้าไม่อ่านกุนอ่านเราไม่รู้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นบีมุฮัมมัดนี่นะครับพี่น้องคนอาหรับพูดอย่างนี้ลัสตามุสซาลันนบีนี่ไม่ใช่เป็นผู้ถูกส่งลงมาจากอัลลอฮ์เห็นยังนี่อัลลอ์เล่าให้นบีฟังมุฮัมมารู้เปล่าญาตินบีทั้งหมดนั่นแหละขเขาประชุมกันว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นรอซูลที่มาจากอัลลอ์แต่งตั้งขึ้นมาเอง อยากจะใหญ่อยากจะดังใช่ไหมแล้ว เ, เขาก็พูดใา่อีกเลย น, ะนบีเนี่ยเป็นคนบ้าแล้วก็นบีต้องการที่จะสร้างความแตกแยกคําสอนของนบีในะอาหรับมุชลิมเขาดา่นานบีมาแล้วแล้วคํานี้ยังตกมาถึงเมืองไทยนะพันสี่ร้อยปีนะใครที่เรียนสุนนะใครที่เรียนกูน่าเนี่ยพี่น้องเรียกเราเป็นพวกอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะ <c oughs> อธิบายนะกูกุลกาฟาบินลาฮิชาฮิดานอายะอื่นนะอัลลอฮ์รับรองคนเดียวพอแล้วใครไม่รับรองไม่มีปัญหากุลกาฟาบินลาฮิชาฮิดาอัลลอฮ์รับรองว่าเป็นนบีเป็นรซูนพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาสศาสนาอิสลามก็เหมือนกันสุนนะนบีก็เหมือนกันใครขวางขวางไปไม่มีปัญหาถ้ามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรองว่าสุนนะนบีพาไปสวรรค์ อัลฮัมดุลิลละสบาจจยใจครับใครรับรองอัลลอฮ์รับรองกาฟาพอแล้วตอนนับดุลเบบรีมโยนใส่ไฟนะตอนบินอยู่ในอากาศเนี่ยยิบรีนลงมาให้ฉันช่วยไหมท่านตอบว่าไงไม่ใช่ไม่เอาเอาใครเอาอัลลอฮ์เห็นไหมเอาอัลลอฮ์องเดียวแต่อัลลอฮ์ช่วยปับ๊บไฟเ ย, ย็นหมดเลยใช่ไหมละ่ะไมาจะยิบรีนทำอัลลอฮ์ทำเนี่ย ออุ่ณอานแล้วโอ้โหความรู้เข้ามาเต็มเลยอินกาเลมินุรุสลีนแท้จริงน บ, บีมุฮัมมัดเป็นคนหนึ่งนะครับในบรรดาผู้ที่ถูกส่งมานะครับทีนี้มันมีอยู่อายาหนึ่งทาฮิาบเ่น้องอ่านอนเคยอ่านใช่มากยผ่านได้มาจำได้ไหมอลัลลอฮบอกว่าฉันนี่นะ ขอเตือนอัลกุลกุมบิวะฮิดาขอเตือนคุณเรื่องเดียวนะที่สงสัยว่ามุฮัมมัดเป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์นั่งคิดสองคนหรือหนึ่งคนอุตสาหะการูแล้วก็ไใจตองมุฮัมมัดเป็นคนบ้าจริงหรือเปล่านี่เตือนคนระดับเตือนคนชาวโลกด้วยที่เองแอนตี้นบีแอนตี้ซูน่านาบีถามมุฮัมมัดเป็นคนบ้าหรือ มันก็สมัยนี้ว่ามวัมมจะสร้างความแตกแยกจริงหรือคำสอนของนะบีเนี่ยให้พี่น้องรักใครกันแล้วอักรวัตให้เขาได้มีอามันที่ซอนแลแต่พวกเราก็ไปพูดว่ามุฮัมมัดเนี่ยสุ น, านา่าละบีใครไปเรียนมาจะสร้างความแตกแยกคนต้องเลิกพูดภาษาอันนี้นะจะบังคับได้ไหมไม่ได้มันต้องคนที่ชายปัญญาจะเลิกพูดคานี้นะครับ อาลาสิรติมุสตกีมเนี่ยอัลลอฮ์รับรองนบีใช่ไหมใครคนอ่านคนอ่านต้องสบายใจนะว่าสุนนะนบีหรือนบีมุฮัมมัดนั้นอาลาแปลว่าอยู่บนสิรอตินแปลว่าขนทางหรือทางนํามุสตคีมที่เที่ยงตรงใครรับรองอัลลอฮ์รับรอง อินอะลาซีรอตุมุสต์ตีมนบีมุฮัมมัดนั่นอยู่บนทางนำที่เที่ยงตรงอโลเมื่อใครปฏิบัติตามคำสั่งของนบีเขาก็จะพบกับความผาสุกนี่สรุปอัลครับมังลอยนะครับตอรีกเนี่ยคาว่าซิรอตุนเนี่แปลว่าตอรีกุลแปลว่าทางนำมุสต์ตีมที่ถูกต้องคืออัลอิสลามสรุป ทคำนำที่ถูกต้องที่นบีนํามานะ่ะศาสนาอะไรอิสลามแล้วองที่นบีนํเอามาสอนไม่ใช่คุรานนะคุรานกับคุรานมาอธิบายกุรานเป็นสุนนะหมดเลยนะ่ะสุนนะแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะสมอย่างคําพูดของนบีเป็นสุนนะการปฏิบัติของนบีเป็นสุนนะนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติแต่สัฮาบานาบีปฏิบัติเป็นสุนนะขอยกตัวอย่างเนี่ย ตอนเดินเข้ า, ม, ามัสยิดเนี่ยมีซอบา้นานนบีคนหนึ่งนบีเป็นอิหมามนำนำมานะพี่น้องต้องมีความรู้อย่างนี้นะนบีนี่นะข้างหลังนบนีสามารถเห็นคนเหมือนมองอยู่ข้างหน้าแหละเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับ น, นบีคนเดียวนะนบียืนอยู่เนี่ยเป็นอิหมามหันหน้าไปทางกิบลัดนะตาหลังนบีไม่มีแต่อัลลอฮ์สามารถให้เห็นให้ได้ยินด้วย ใครทาอะไรอยู่ข้างหลังในรูมหมดเลยนี่เป็นความสามารถของใครอัลลอฮ์มองให้กับท่านนบีมุสลิมุลิมมีอยู่มีสาวบ้านนบีคนหนึ่งเดินเข้ามัสยิดนบีกาลังเป็นเป็นอิหม่ามละหมาดอยู่แล้วก็อ่านอุอาบที้อัลลอฮุมะตีนีอัฟบัลละมาตุตีอิบาดะกะสโอลฮนเป็นอังว่าได้ปะอัลลอฮุมะตีนี อัฟบละมาตุตีอิบาจากเาล <t Gothic> ิ่ียาให้เป้โอ้ Allah โปรดประทานให้แก่ฉันดีกว่าของที่ Allah ประทานให้กับคนบ่าวของทของท่านทั้งโลกให้ฉันคนเดียวซาบานะบีอ่านดุอาบทนี้นบีกำลังนมาดอยู่พอให้สลามเสร็จนบีหันมาถามว่าใครอ่านดุอาบทนี้ Allahu um maatini a f d a l a มาต u tiyab d a k ก s a l อล i d ไม่มีใครกล้ายกมือกว้านาบีจะดูนบีฉันไม่ได้ดูมันเป็นดูอาที่คุณพูดดีมากฉันเห็นมาลิกะอยู่ข้าบนชั้นฟาร์นน่นะวิ่งประมาณ30สบองค์ไปบันทึกให้รางวัลกับคุณที่พูดจาดีนี่เป็นซอบ่ า, น, าบนะบบนะ สวัสดปฏิบัติไม่ใช่น บ, บีปฏิบัติแต่น บ, บีรัรบรองอ่าดุอันนี้ดีมากนเราเอาไปใช่ไหยจะเข้ามัสยิดเนี่ยวันวันเข้าห้าครั้งธรรมาที่หลังก็นิดหนึ่งใช่ไหมล่ะอิมามเป็นแล้วอัลลอฮุมมะตินีอัฟโดลมาตุอตียังอิบาดะกะสโอลินมมนาอบุลฮัสซันเอาไปใช้ในชีวิตของเขา ทุกครั้งที่อ่านกูนอ่านจะอ่านตัวอ่านบทนี้อัลลอฮุมะตีนีอัฟลอละมาตุเตียงอิบาดะกสซอลลดผมก็เริ่มช้ามาแล้วช้ามาสักห้าปีแล้วสิปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีแล้วต้อลองว่านาบีนัน้นอัลลอฮ์รับรองไหมรับรองถึงความถูกต้อง ว่าศาสนาที่นบีนำเอามาสอนเป็นทางนำที่ถูกต้องคือ e คอันะบบอลอิสล um min min ามอัลอฮรตมุสต์กิมอัลลอฮฺอลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอเอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮัลนอฮฺอเลลอฮฺอัลลอฮลลออัลลอัลอัลลอฮอฮัลลออัลลอฮัลลอฮฺลลอฮฺอั มูฮัมมัดกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ศรัทธายิ่งกว่าตัวของเขาเองให้ยเราในเวลาดูแลตัวเองใช่ไหมนบีเป็นห่วงเรามากกว่าตัวเราเป็นห่วงเรานะอ้ายาตรงไหนครับอันนบีอยู่อัลลบิลมุเมนีนมินอัลฟุฮิมสุรออัลฮะซับอายาที่หกอ่านมาแล้วนี่ท้าจ้นะต้องนึกเลย นบีเนี่ยเป็นห่วงพวกเราเนี่ยมากกว่าเรานี่เป็นห่วงตัวเราเองใช่เลยไม่ใช่นี่คุรานอโลบสัญญาเอาไว้เล่าให้มนบีมุฮัมมัดฟังให้คนที่อ่านกุรานได้รับรู้ว่านบีเป็นห่วงพวกเราอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรามากกว่าตัวเราใกล้ชิดกับตัวเราเสอีกต้องเป็นต้องับปฏิเสธโุนา่านบีไม่ได้สนนะักข้อหนึ่งหนาต้องยอมรับอย่างเดียวเลยพยายามหูเค่อยฟังว่า นบีสอนอนาฬิการ์นำนมาใมาชา้ในชีวิตประจำวันพี่น้องพี่น้องสังเกตนะแล้วก็อ่านศึกษาประวัติด้วยนะมีคนญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งไปวิจัยเรื่องน้ำใช่ไหมเอาเพลงบ้างเอาดนตรีบ้างอะไระให้น้ำฟังให้น้ำฟังมันมีโมเลกุลน้ำออกมาเนี่ยสี ตากันพอเอาน้ําำดำๆกับเสียงอัลกุรอานเกัเสียงดูอาให้น้ําฟังโมเลกุลออกมาสวยมากเลยเหรเห็นอย่างนี้กุูา น, นี่แล้วก็เอาคําสอนของนบีใส่ไปใส่ไปแค่ดูอาเมืท่านนาบีสอนเนยนะโมเลกุลออกมาสวยมากแล้วก็ในร่างกายของมนุษย์เรามีน้ําเท่าไหร่เจดสิบอร์เซ็น นั่นเท่าอ่านคุณอ่านทุกวันวิกรุลเลาะทุกวันนับมาทุกวันไม่ด่าใครเลยเนี่ยน้ําในร่างกายเราจะขนาดไหนโมเลกุลจะสวยหรือไม่สวยใครเลสั่งว่าสามีภรรยาอย่าทะเลาะกันมาบีสั่งนะฉันอย่าเป็นทะเลาะกับภรรยานะ่ะอย่าทำหลายข้อนะข้อที่หนึ่งให้พูดเสียงค่อยคอยข้อที่สอง อย่าแตะตัวข้อที่สามให้นั่งข้อที่สี่อะไรอ่ะอาบน้ำธรรมดททำไมนบีสอนอย่างนี้ล่ะ <louder. S 1> พราะรดาออกไปครับเนี่ยโมเลกุลในตัวเป็นยงังไงอัลลอฮ์คับอรฉะนั้นถ้าเรียนกู น, น่าเราเรียนสูร น, น่านบีแล้วก็ข่าวดุญยานี่มันก็ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมล่ะไปพิสูจน์ว่า ของที่มาจากอัลลอ์อิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดพี่น้องัคราเราก็เปลี่ยนทันทีนะครับ่าทะเลาะ ก, กันลูกเพราะนาบีเนี่ยเคยมีภรรยากี่คนนาบีมันน่าจะทะเลาะ ก, กันแต่ว่าไม่มีครับแต่นาบีพูดเองนะภรรยาฉันทุกคนช่วยเหลือฉันแต่ภรรยานาบีอาดามโตฮาวาเนี่ยทำให้ช่วยสามีให้ทาบาป ราอุทิบิลลายตบิลลายตอีกาต่อมาครับนี่ชมชมกุณอ่านอีกนะครับตันซีลุลอาซีลรอฮีมอัลลอฮฺอักบาร์ันซีลุลอซีรอฮีมคุณอานนี่มาจากไหนครับเอากุณอานนี่มีมแหล่งที่มานะมาจากยุโรปไหมมาจากจีนไหมมาจากอินเดียไหมไม่ใช่ คุณอาเรียมนี้เป็นการประทานลงมาอัลลอห์ใช่ไหยเป็นประทานลงมานะ่ะตันซีดแปลว่าถูกประทานลงมาเป็นการประทานลงมาจากใครครับจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมออาซีดเป็นสิบแปดของอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอฮีมผู้ทรงผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ, ส อ, อ, มสมอใช่ไหมท่านมาจากอัลลอฮ์คุรอาครับ วันที่นบีขึ้นไปรับไปรับไปรับไปรับนามานนะ่ะอัลลอฮ์ให้ให้รางวัลกับนบีนะ่ะสามเรื่องนะพี่น้องนะ่ะบันทึกอิมามมุสลิมนะเรื่องที่หนึ่งมอบนามานมาให้อ้าวเรื่องนามานนบีดูอาดูอหมดเลยนะ่ะเป็นดูอาหมดเลยครับน้ำมันามานี่ดูอาทั้งหมดมีอยู่ระหว่างสุยูดนะ่ดะดูอาให้กับตัวเองรอบเบืง้งสินลี รบบิยฟลิลลีโอลา l a h จะอภัยโทษให้ฉันนอกนั้นชม a l ล, ลา h หมดเลยสุบฮานารบเบียลอฺลาชมใครชมอล l a ดีได้ไ ม, ดม่ดีม o ลกุลในน้ำจะสวยไหมสุบฮานรบเบียลอฺลมสุบฮานรบเบียนอาลาชมล l ล a หมดเลยขอุ่าให้ตัวเองไม่อยู่สองวักเองรบบิยฟิลลีรบบียฟิลลี แล้วก็เรื่องที่สองอัลลอฮ์ให้ของขวัญผ่านนบีมานะครับอายาหนั้นสองอญยาสุดท้ายของสุราบะกราะอามนาัลรอูลบิมาอุนซิลัลฮิมิรบบิฮิวัลูมินูละก์อะไรนะอ่านให้จบจะสองอายาหนึ่ง น, นั่นเป็นฮ ا د ียามมาจากอัลลอ์ชั้นฟ้านะแล้วเรื่องที่สามเป็นความรู้ใหม่นะอัลลอฮ์จะอภัยโทษคนทุกคน ถ้าไม่มีชริกติดตัวไปไม่มีโตตะเกียรพาไปไม่มีโตระยองไม่มีหมอดูไม่มีอาซิมัดนะครับอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไม่มีชริกติดตัวไปอลัลลอฮฺพยายโทษนั้นนี่เป็นรางวัลสามรางวันที่อลัลลอฮฺมอบผ่านนาบีมุฮัมมัดวันที่นบีขึ้นเข้าเฝ้าอลัลลอฮฺสุภาโนกาละเห็นไหมเห็นไหมนี่ทานาบีมไม่มีเละแย่ไหมเราอะ <laughs> แย่ yeah, นะนี่มีมีนมาศมาฮามดุลิลลาเป็นตัวช่วยอ่ะเวลาเครียดเครียดนมาศซะเวลาลำบากลบากนมาศซะผมเห็นเห็นอะไรเห็นมีคลิปมีพ่อป่วยอยู่นองโรงพยาบาลและลูกชายนำนำมาศพ่อนอนอยู่บุลูกก็ยืนอยู่ข้างเตียงนำมาเป็นอิหมามฮามดุลิลลาภาพนี่สวยน่าดูนะอิลลาพี่น้กนมาชขาได้ไหมไม่ได้เป็นตัวช่วยนะ แล้ก็นอ่านอ่านุรอ่นรานสุ ร, รบบรกรสองอายะสุดท้าของสุ ร, รบบรกรแล้วก็อย่าทำชิริกนี่แหละสามรายการนี่แหละเป็นรางวัลฮ ا ดียาที่เลาละม่อบผ่านนบีมุฮัมมัดให้กับอุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดจนถึงวันกิยามัตครับตกลงว่ากุรอ่านถูกประทานลงมานะนะครับแห่งพระผู้ทรงอำนาจแล้วก็ผู้ทรงเมตตาเสมอเอาต่อมาอายะที่ อายาที่หกลิตุนซิราเควมมาอุนซิรอาบาอุมฟะฮุมกอฟิลูนลิตุนซิราเควมมาอุนซิรอาบาอุมฟะฮุมกอฟิลูนอายาเนี้ตตรงการจะบอกว่า คนอาหรับมุชริกในนครมักกะเนี่ยก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ย <c oughs> ที่นั่นเนี่ยนะหลังจากนาบีอิสมาอินลูกลูกชายนาบีบรอยบูญามะละไม่มีนบีมาเลยไม่รู้จักคำว่านาบีไม่รู้จักเลย แต่กลุ่มย ahu ดีที่ที่ทททอื่นเนี่ยเขามีนบีมาใช่ไหมนบีอีสามานบีมูซามาแต่ในกลุ่มอาหรับเนี่ยหลังจากนบีอิสมาฮีแล้วเนี่ยไม่มีนบีมาเลยเป็นพันๆปีนี่อัลลอฮ์ล่ลาในกะฟีกรานเป็นชาติที่ไม่มีาศาสนาเป็นประชากรที่เฉยเมยไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักพระผู้ว่า โลกใบนี้ใครสร้างมนุษย์มาจากไหนมนุษย์เกิดกี่ครั้งไม่รู้มาก่อนเลยทะเลาะกันก็นเก่งในมักกะเนี่ยในมา ด, ดีนานเนี่ยแหละทะเลาะกันหมดเลยเหื่องแพตัวเดียวทะเลาะกันเป็นร้อยร้อยปีเห็นไมก็รู้ใช่มเนี่ยอุลานอธิบายไว้อุลมะก็เขียนกันเยอะในะเรื่องอาหรับก่อนที่นบีมาจะเกิดขึ้นเนี่ยอาหรับเป็นยังไง ทุกคนรู้หมดนะครับไม่มีใครอเอาไปเ ป, เป็นลูกจ้างนะว่งาง่ายๆอย่างนี้ น, นะ mm hmm. พอเห็นอักษรดีไซัยแล้วกลัวหมดเลยครับอ mm ัลลอฮ์เล่าในรกุรอานลีตุนซ mm ีร hmm. อที่อัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยส่งอัลกุรอานมาเนี่ย mm hmm. มาทําอะไรรู้ไหมลีตุนซ mm ีร hmm. อเพื่อมาตักเตือน mm hmm. อยู่ตรงนี้เองเนะกุรอานเป็นคําตักเตือนนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ตักเตือน ไม่ใช่เป็นอาซิมัตเป็นคาถายอ่อกุรานให้เล่มเล็กๆแล้วก็ผูกคอนั่นไม่ใช่อิสลามนี่พวกเราทกันเององหลีตุนซีรอ <c oughs> เพื่อท่านนาบีมุฮัมมัดที่อรรรรเลือกให้นบีมาแต่งตั้งนบีมาพี่ต้องมาตรงนึกเลยนะวันที่แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดให้เป็นนบีน่ะไซตตอนมันรอมให้น่ะ อัลลอฮ์ไม่ให้ยินกัตริย์ตนขึ้นข้างบนเพราะอะไรครับต้องการจะให้วะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ยิบรี น, นํำมาหานาบีแบบไม่ต้องมีอะไรมามาอะไรนะมาขวางเลยนะ่เคลียรจราจรสะอาดบนถนนไม่มีอะไรเลยไปนองครับได้ไหมแล้วก็ชายตนมันเสียใจมันร้องให้วันที่นบีมาถูกถูกถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีครับชายตนไปหานาบีนะ พากนันไปเป็นจะมาอาใหญ่ต้องการจะไปเล่นงานเองมาเนี่ยมาขวางเราเราจะหลอกมนุษย์กนลําบากเองมาสอนให้รู้นุนรู้นี่ก็ต้องการจะไปเล่นงานไปเจอท่านใครนั่งอยู่ยิบรีนอลัยอิสลามหกร้อยปีอ่ะพอเห็นปั๊บถอยหลังเลยไม่มีใครกล้าเข้าจานั้นอลัลลอฮ์นี่รับผิดชอบดูแลาศาสนาของอลัลลอฮ์ดูแลนบีม u h a m m a d อย่างดีถึงนบีจะเสียชีวิตไปแล้ว เรางดูแลอยู่นะยังรักษาสูงนาของนบรีรักษาอัลกุรอานรักษาอะคิดะเอาไว้จนมาถึงวั น, นวติยามานะเรารักษาอยู่นะเจ้าท่านเราขอให้เราอยู่กับศาสนานี่แหละเวนน้องให้มันเข้มอยู่กับศาสนานี่แหละนะดีตนุนซีราเข้ามัมมาเข้ามันแปลว่าอะไรนะประชาชาติหนึ่งหมายถึงกลุ่มอาหรับนี่และ อัลลอฮ์นี่นส่งนบี ม, มุ h a m ม a ดมาจะได้เป็นคนที่ตักเตือนประชาชาติหนึ่งซึ่งอุนซิลมาตักเตือนอาบาอูฮุมบันพระบรุษของพวกเขาอาบาแปลว่าอะไรนะบันพระบรุษอาบาหมายถึงพ่อแม่โตะยะชากีพวกนี้เรียกอาบาทั้งหมดบรนผ้าบรุษของเขานี่นะ ไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนไงวาฮุมรอฟิลูนดังนั้นพวกเขาจึงเฉยเมยร อ, อฟินหมายถึงเฉยเมยไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักว่าอัลลอฮ์คือใครใช่ไหมไม่รู้จักมุฮัมมัดคือใครไม่รู้จักคําว่านาบีไม่รู้จักคํ า, าคว่าอัลกุรอานเฉยเมยมาตลอดแล้วก็ทะเลาะกันเองบ้างทะเลาะกันเองโกรธกันเอง เอาหลอพี่น้องแล้วก็ฆ่ากันเองแล้วก็กินสัตว์ที่ตายเองส ต, ตีสามารถมีสามีได้หลายคนตัดขาดกับญาติพี่น้องลูกผู้หญิงไม่มีสิทธิในกองมรดกขายลูกสาวหากินทำอะไรผิดๆมันหมดเลยเพราะบราพบุรุษของเขานั้นเฉยเมยเพราะว่าไม่มีหลักการในการดำเนินชีวิตนี่เมตายังอัลลอเมตากุมอาหรับนะ ให้มหมัดขึ้นมาคนหนึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็คนอาหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่พูดใช่ไหมล่ะคุณอ่านพูดว่าคนอาหรับสาบานว่าโอ้ถ้าฉันมีนบีนะมีผู้นำแบบคนยิวกับพี่น้องคริสเตียนนี่นะโอ้ฉันจะเป็นชาติที่โอ้โอจะน้อมรับคำเตือนของนบีดีกว่าพวกยะฮูดีซะอีก นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเขาสาบานกับอัลลอฮ์ว่าอย่างงาั้นพอมาจริงๆเป็นไงนบีอยู่มาการได้ไหมอยู่ไม่ได้เชิญให้ออกจากมาการไปอยู่ที่นครมดีนาไอไปก็อัลลอฮ์ก็วางแผนซ้อนอกีกไปมดีนาได้มุสลิมที่นั่นแล้วก็ต่อมามายึดนครมาการอย่างนครไหมนี่แผนของอัลลอฮ์ใครชนะบา้างไม่มีใครชนะสักคนอย่างยิ่งยืนเตืนนะ ลิตุนสิีรเกามัมมาอุนสิรา อ, อาบาอุมสรงนบีมหฮัมมัดมาทำอะไรครับจะได้เป็นผู้ตักเตือนประชาชาิหนึ่งเก้ามันซึ่งบรรพบุรุษของเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อน น, นอยจ๊ครับ ไม่เคยมีศาส์นามมาก่อนไม่มีใครมาสอนก่อนมีจะยุให้บาปมีจะยุให้ฆ่ากันมีจะยุให้ทะเลาะกันมีจะยุให้ทำนูน้นทำนี้ให้โกงกันขอรับชั่นกันมาตลอดเหมือนกับปัจจุบันนี้ใช่เลยไม่ได้โลกทุนยาวันนี้นะพูว่านักกัพวกอาหรับใจดียนะนโอ้แย ก, กกันเป็นนักการเมือง อยากได้ตําแหน่งนั่งตำแหน่งนั้นเรงเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมล่ะรออาคุบัดเอาต่อมาครับว่าหุมรอฟิลูดังนั้นพวกเขาจึงเฉยเมยว่าเฉยเมยนี่แหละเพราะคำว่าเฉยเมยคํานี้แหละที่อัลลอฮ์พูดว่าฉันจึงต้องเป็นเมตตาคนอัลกุบส่งน บ, บีมาอัลลอฮ์พร้อมกับอัลกุรอานเล่มสุดท้ายเล่มเดียวไม่มี คำพีอื่นมาอีกแล้วนะครับเป็นทางนำสำหรับชีวิตอาธมอยู่ดีแล้วใครนำมาไปปฏิบัติไ ป, ปน้องดีหมดเลยนะครับนิสัยมนุษย์เดิมๆขอเล่านิด น, นะมีประมาณห้าห้าหข้อข้อที่หนึ่งชอบอาธรรมชอบอาธรรมแล้วมันตรงกับอะไรนะเขาเรียกว่าจอเลมอ่า นิสัยเดิมๆของมนุษย์ก่อนที่จะมีอิสลามมาเนี่ยมีอธรรมในสุรอิบราฮิมสองมนุษย์นี่ใจร้อนวกาลในอินซันวอายุละใจร้อนนบีมาสอนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจร้อนไม่ดีนะนบีสอนต่ออีกถ้าจะใจร้อนมีแค่สเรื่องนะหนึ่ง เวลาแขกไปใครมาเนี่ยให้เรียบตอนรับรีบไปเลยไม่มีปัญหาเวลามีหนี้สินให้เรียบใช้เวลาลูกสาวโตวให้เรียบแต่งงานอย่างเงี้ยเวลามีม่ยิ ต, ตายให้เรียบฝังอย่าใจายเย็นก็อบอกไวนอกนั้นใจายเย็นๆนะไว้ใจเย็นๆแต่ทะเลาะกันใจายเย็นๆ น, น, น, น, นั่งเงียบนี้พูดเสียงค่อยๆซ้อนหมด นี่ท่านนบีไม่มาโอ้เราปฏิบัติตัวไม่ถูกอเอาต่อมาครับวกาเนวกาเนลินซานลุลากฟูดเนรคุณท่านนอัลลอฮ์ไม่มาแต่งตั้งนบีมาสอเนี่ยการเนรคุณจะมีตลอดไปขนาดมีาศาสนาอยู่แล้วยังเนรคุณมีมั้มมีครับเอาพ่อทรอยต์ต่อลูกมีมั้ยลูกประยต์ต่อพ่อแม่มีไหมมี แต่ถ้าพ่อแม่สอนอบรมแนวะไอ้วิธีสอนเอามาจากไหนก็ามา จ, าจะจะกวนอ่านทั้งหมดผูดจานิ่มๆยิ้มๆอย่างพี่น้องดาวาเนี่ยมันต้องวางตัวสง่างามอะ่ะผูดจา ก, ก็พูดน้อยอย่าพูดเยอะนี่นีอัลลอฮสอนบนสอนผ่านนาบีหมดเลยครับเอาต่อมาครับอินนัลอินซานะคุลิกฮาลูอาสุลามะอาริสอายาี่ิบเก มนุษย์นี่นะครับชอบจะหนีใช่ไหมนี่ทําไม่มี伊斯兰มาไม่มีใครบริจาคก็กคนหนึ่งฉันเราในบริจาคอะไรบ้างอิฟอะไรนะระมอนมากับบริจาคใช่ไม่ใช่ละกาดฟิตรีอ่านี่กุฎบานจะมาอีแล้วถ้าว่าเนื้อกุฎบานเนี่เก็บหมดเลยได้มไหมไม่ได้ให้แบบเ อ, อกเพียงแค่ส่วนสามส่วนเอาไวเ้เล็กๆ น, น้อยๆในครอบครัวนอกนั้นให้บริจาคคนยากคนจนเผื่อฝูง ให้มันมีต่า ใ, ให้ให้ให้นี่แคเ พ, เพราะอิสลามสอนเนี่ยให้บริจาคให้บริจาคไปบริจาคต่อมาครับส mm ุราอะลักอินนัลอินซานัลยอปมนุษย์นี่ยนิสัยเดิมๆเนี่ยชอบละเมิดถ้ามีอะไรเยอะๆที่ตัวเองนะมีความรู้หน่อยก็เตะถ้ามีเงินหน่อยก็วางตัวจ้องหองอวดดีมีบ้านใหญ่หน่อยก็อโ ล, ลพี่น้องนี่ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเนี่ยแน่นอนไหม อินนัลอินซาณลายยปออะราฮูสตากนาถ้าเขามองว่าเขามีครบทุกอย่างแล้วนะฉันไม่พึ่งใครแต่อัเลาพอใจไหมไม่พอใจส่งนบีมาสอนเองพึ่งเธอพึ่งอัลลอฮ์พึ่งซุนนะนบีพึ่งนบีม د, ุฮัมมัดเราดูแบบอย่างซาวะบ้านนบีเป็นแบบนะครับดูแลอุลมาด้วยนะคนที่สองศาสนาแทนนบีอยู่จะเป็นตัวแทนนบีเอัต่อมาครับอสัสลูร์นาลี มารยาเดิมความมนุษย์ว่าวาคอซีมุมโมบีนชอบโต้เถียงและชอบทะเลาะกันนี่นิสัยมนุษย์เดิมๆอัลลอฮฺมิต้องเห็นอย่างครับสุรอ้อนนาเละอายาที่สเปิดดูได้เช็คดูนิสัยเดิมๆของมนุษย์ชอบทะเลาะกันใช่ไหมใช่ท่านพ่อแม่ก็ต้องอ้ทะเลาะกันให้อภัยกันนะให้อภยัยมันต้องอบรมตั้งแต่เล็กๆไปเลยเอาต่อมาครับอีกอายาหนึ่งสุรอาฮฺซาบอายาที่ี่สิบสอ จะรูมัน j a h u l a h มนุษย์นี่นะชอบอธรรมต่อตัวเองอธรรมต่อสังคมแล้วก็แล้วก็ไม่ยอมเรียนหนังสืออยู่แบบโง่ๆนี่แค่มาฟังตับซีก็กัไม่อยากจะไม่อยากจะฟังแต่พราะอิสลามมาครามนี่เอาลอสั่งเลยนะเรียนหนังสือมีรางวัลฉะนั้นอายาแรกที่ราบประทานมา ให้กับนบีที่พูกเขาพิโรธว่าไงครับอิกระแปลว่าอะไรจมอ่านใช่ไหมในอิสลามทนะ่านลูกสาวต้องเรียนหนังสือหมดน่ะนี่โควิดมานี่มีปัญหาอะไรไมาเรียนหนังสือยังไงต้องใชหง้ห้องโอโห้องโอ้โหคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนก็นั่งเครียดกันอยู่มาก็อยแก้กันไปตัลรว่าอิสลามนี่นะมาแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยให้เรานั่นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เหมือนท่านนาบี Lepas benda suara Kongtren Nabi atau apa? Kap ayat 6. Lepas dah hakul kaululala aksharim, fahum la yuminun. Lepas dah hakul kaululala aksharim, fahum la yuminun. Nampak perbezaan perbualan. อายานี้ตองการจะบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้นะไม่อิมานต่อรอดคนที่ไม่อีมานต่อลรอดนะ่ะมากกว่าคนอิมานต่อรอดคนที่เอาศาสนาเนี่ยมากกว่าคนไม่จะคนไม่เอาศาสนามากกว่าเอาศาสนาเห็นไหแล้วก็แล้วก็ฮัก ก, ล ก, ก, ก, ลกอลเกาฮักกอลเกาเนี่แปลว่าอัลเกาแปลว่าคําประกาศิท อัลฮักกุนแปลว่าเป็นที่สมจริงแล้วอัลลอฮ์ได้คืออัลลอฮ์เนี่ยรู้มาก่อนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยถ้าฉันสร้างมาเนี่ยนะเนี่อัลลอฮ์เล่าให้เล่าให้นบีฟังนะเล่าให้พวกเราฟังนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวันหลังเราสร้างมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างงี้ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาปฏิเสธคำภีรที่อัลลอฮ์ส่งมามากกว่าคนที่ยอมรับเห็นอย่างครับ ทำให้เราสบายใจั้มนี่ต้องมีการสนอนไงถ้าไม่สอนนี่นะคนมันกอฟินอยู่แบบสบายๆเรียนก่าไม่เรียนด่าก็เกง่งทะเลาะกันก็เกง่งใจน้อยเกง่งแล้วก็ใจร้อนด้วยใช่ไหมใจเย็นๆศาสนาอิสลามสอนสอนไม่สอนสอนใช่ไห ม, มเห็นอย่างครับ ฉะนั้นอันลลอฮ์เล่าในกุรอานให้พวกเราฟังด้วยนะว่าแล้วก็ดะฮักกอลก า, ลาอุลวละอัคซาริฮิมฟะฮุมละยุมินูลายุมินูนนนพวกเขาไม่ศรัทธาแล้วก็อักซาริฮิมส่วนมากของพวกเขาไม่ศรัทธาเป็นอย่างครับนี่ตําหนิใครตําหนิพวกเราที่นี่ละอ้าวอย่างพี่น้องกันห้าคนเนี่ยเมืที่เอาศาสนากี่คนสองคน อีก4่คนไม่เอาบางทีมีอองศาสนาผัวไม่เองศาสนาก็มีมุสลิมม์โทรมาปรึกษาเรื่อยจ้าฉันนะ่ะดีใจที่ผัวเลิกกินเหล้า <laughs> แล้วแล้วก็พอเลิกแล้วฉันก็สบายใจไปอาทิตย์อาทิตย์สองเริ่มทำฟีน่าต่ออีก <laughs> เป็นไรเป็นอเไรนยครับ <laughs> นี่ยเ <laughs> พราะเราอ่านคูณอ่านแล้วก็ จากพี่น้องโทรศัพท์มาปรึก ษ, ษาเราก็รู้เลยว่าเราอาญานี้ช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจนะแล้วก็ดฮากกลเกอลลาอักซารีมฟาฮุมลายุมินูนบุคคลตัวอย่างคือนกครมักกาที่แอนตี้อิสลามนะใครรู้บ้าอบูญาฮัลญาตนบีใช่ไหมลุงนบีใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็ ชายบาและอีกคนอุตบาเนี่ยาตมาบีหมดเลยผู้เรียกวางแผนนะมุมัต์อยู่มักกะไม่ได้ต้องไปเยังครับแล้วก็คนที่มีนิสัยแบบนี้ในโลกนี้เยอะไหมอ่ะโโ<ฮ>่นั้นเลิกซะถ้าไม่เลิกนะการวางแผนของคุณที่ทำลายอิสลามนั้นหันกลับไปหาใคร หันกลับไปหาตัวเองหมดเลยท่านอย่าไปคิดสุกปกกับอัลลอฮ์อย่าคิดสุกปกกับสุนนะนบีย่าดานาบีย่าดาสุนนะนบีแล้วก็ย่ดาอย่าเขนอย่ามองวางแผนจะเข็นฆ่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เอาสุนนะนบีมาใช้เอาอิสลามมาใช้อย่าไปคิดเล ย, ยเลือกเลิกไปหมดหันกลับมาหาตัวเองหมดเลยอ่ะดีอ่ะคำว่าวะละนะเนี่ย แปลว่าไม่มีบริการในชีวิตดีหรือไม่ดีพี่น้องไม่ดีนะเมื่เองเดินไม่มีบริการนอนในนี้บริการกินข้าวไม่มีบริการอยู่กับเมียมีบริการนั่งรถทัวรถไฟไม่มีบริการถึงจะมีเงินก็การไม่มีบริการดีหรือเอาน้ำที่อยู่ในตัวเราเจ็สเอร์เซมีบริการไม่ดีเรือให้โมเลกุลมันสวยอ่านตะกูลอ่านซิกรุลล์ทาแต่ของดีๆซิกโนม สวยนะ อ, อ้า น, น, นอาจารย์ น, นี่เตือนนะแล้วก็ดักกอลเกาลอลอัสซริิฟะฮุมลายุมินูนอัลลอคนส่วนใหญ่เอาอิสลามไหมไม่เอานี่เตือนกายเตือนนบีหันบีมารับรู้ไว้นะนหน้าที่ต้องสอนเรื่องหยุดไม่ได้ไ